พนบน้อมต่อคุณปรัตนตรัยโอกาสหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตธรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระยะติธรรมทุกท่านครั้งหนึ่งก็มีผู้ถามหลวงพ่อคำเขียนว่าทําไมถึงสอนแต่การจเจริญสติอย่างเดียวทําไมไม่สอนเรื่องอื่นบ้างเช่นาการทําดีได้ดีไม่ทําชั่ว สอนในเรื่องให้มีศีลมีธรรมให้ทําบุญต่างๆหลว ง, งนะพ่อก็บอกว่านะการที่สอนเรื่องสตินั้นนะมันคุม้มถึงทุกอย่างอยู่แล้วนะถ้าคนที่มีสตินะเขาก็ไม่ไปทําผิดไม่ไปทําชั่วเขาก็มีศีลมีธรรมทานะแต่ความดนะีเพราะว่าสตินี่แหละ ม, มันสามารถที่จะคุ้มครองอนะ แต่ละคนได้ครันะ้งนี้ถ้าเราเข้าใจที่หลวงพ่อกาเขียนว่าทําไมท่านสอนเรื่องการจเจริญสติการให้เรารู้สึกตัวนี่เราก็จะเข้าใจความจริงหรือว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะแต่แต่ถ้าพูดถึงว่าหัวใจหลักของธรรมะทั้งหลายคื อ, อไหลก็คือการกลับมารู้กาย ร, รู้ใจเราท่นเอง กลับมารู้ความจริงของกายและใจนะในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะครั้นนี้เมื่อเรากลับมารู้ความจริงในตรงนี้แล้วนะั่นแหละเราก็จะสามารถที่จะสังเกตนะในกายและในใจนี้ได้นะเพราะนั้นในขั้นแรกก็คือเราเราก็ต้องาฝึกเจริญสติก่อนนะคือเราสร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นสติก็จะมาตามคุ้มครองนะกายและใจนะ โดยเพราะการคุ้มครองใจของเราการคุ้มครองใจของเราก็คือเมื่อเราเริ่มมีสติแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตกายและใจได้ง่ายขึ้นนะก็คือเป็นผู้ที่สังเกตแต่การสังเกตนะั้นมันก็ต้องเริ่มต้นที่เราจะต้องตามรู้เขาก่อนตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเช่นอย่างที่พระเจ้าได้บอกว่าเราก็ ให้ร <unlucky. S 2> ู้ว่าขณะนี้นะเรายืนก็รู้เรายืนเรานั่งก็รู้เรานั่งเราเรานอนก็รู้เรานอนเราเดินก็รู้เราเดินนี่ก็คือการตามสังเกตในบนใหญ่นะเป็นการสังเกตเรียกว่าสังเกตตามความเป็นจริงในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละกลับมารู้นะเพราะบางทีเราเดินแล้วก็ไม่รู้เราเดินนี่เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเราเดินเราก็เดินด้วยความเคยชินเป็นอัตโนมัตินั่นเอง แล้วเราก็ไม่รู้กํลาลังเดินนะแล้ในขณะเราเดินเราก็คิดไปด้วยอันนี้ก็กลายเป็นความหลงไปที่ว่าในชีวิตประจำวันแล้วนี่แหละแม้แต่เราเดินตลอดชีวิตเราก็ยังไม่รู้เราเดินเลยเนาะแล้วก็ให้เรารู้ในอบนย่อยต่างๆดื่มกินพูดคิดคู่แขนเยียดแขนเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังก้มเงย อ, อุจจาละปัสสาวะทรงจีวรสังขติ ต่างๆเหล่านี้นะก็คือในชีวิตประจาวันเรานั่นแหละเราเราทำด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่นะไม่ว่าเราอาจจะดิมกินพูดคิดมันก็ทำด้วยความเคยชินเราอาจจะซักผ้านะซักผ้าเราก็ทำด้วยความเคยชินแล้วก็ไม่ต้องมานั่งนึกว่าเราขณะนี้กลังซักผ้าแต่อย่างใดนะทำด้วยความเคยชินทั้งนั้นแล้วก็หลงคิดไป นั่นก็คือมันเป็นเป็นความหลงในชีวิตประจาวันที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ไม่ได้กลับมาสังเกตในตรงนี้นะไม่ได้สังเกตว่าเออขณะนี้กำลังทาอะไรอยู่นะกำลังคิดอะไรนะมันก็เป็นความหลงไปที่ว่าเราชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่พระเจ้าก็ให้ย้อนกลับมาที่จะดูความจริงว่าในขณะนี้เรากลังทำอะไรอยู่ กำลังมีอะไรเกิดขึ้นในกายในกายและใจของเรานะก็จึงว่านี่แหละคื อ, อความรู้สึกตัวหรือปัจจุบันธรรมนะที่ว่าเราจะไม่หลงเข้าไปในอดีตหรืออนาคตหรือหลงเข้าไปโดยเป็นความเคยชินต่างๆที่มันเป็นความคุ้นเคยนะตั้งแต่สมัยเด็กที่เราไม่เคยได้รับการฝึกฝนมากมันก็จึงไม่ได้เป็นความรู้สึกตัวหรือมีสติเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะนั้นพระวิจาร์ไม่ได้ไปสอนในเรื่อง ต่างๆที่เป็นการรู้ภายนอกที่ว่าเป็นเป็นเรื่องไกลๆเรื่องที่มันนอกตัวเองนะหรือเรื่องนอกจักรวาลทั้งหลายแหล่นะแต่กลับมารู้ที่ตัวเรานี่แหละเพราะมันก็มีเราก็มีแค่กายและใจเท่านั้นเองการที่จะดับทุกข์มันไม่ได้ไปดับทุกข์ที่ไหนต่อให้เราจบปริญญาเอกมาสักร้อยปริญญามันก็ไม่ได้ดับทุกข์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่การกลับมารู้กายรู้ใจรู้ความจริงเนี่ยแหละมันจะได้เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ เพราะนั้นเมื่อใหม่ๆจากการที่เราฝึกจากความเคยชินซึ่งเรียกว่าเป็นความหลงกลับมารู้กายรู้ใจมันก็กลายเป็น เ, เราสามารถรู้ได้ต่างๆได้มากขึ้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเรานี่เองมันไม่ได้หลงออกไปไกลนะขณะ น, นี้เมื่อจิตมีความเคยชินหรือมีทักษะในการกลับมารู้กายรู้ใจได้เร็วขึ้นแล้วเนะช่นความคิดเมื่อก่อนเราก็เคยคิดไปมากมาย จากความคิดมันจะไหลเข้าไปในลมต่างๆแล้วก็จะสังเกตเขาได้ง่ายขึ้นนะเขาก็สามารถที่จะกลับมาอยู่กับความเป็นปัจจุบันและอปกติได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทําได้ยังงี้เราจะสังเกตว่าเออมันก็ไม่ได้คิดไกลแบบสมัยก่อนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรู้เน ร, รู้ตัวได้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่ร้อยเปอร์นนะแต่มันก็สังเกตใจเราว่ามันมันไม่ได้ไปไกลแบบสมัยก่อนนะมันก็ อยู่บริเวณนี้แหละมันมันก็รู้ไปรู้มาหลงไปบ้านก็ไม่เป็นไรมันก็มันก็กลับมันได้เร็วขึ้นมันก็สามารถที่จะสังเกตอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะความโกรธต่างๆที่เราเคยโกรธมากเมื่อกระทบนะสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะหรือได้ยินในสิ่งที่เราไม่พึงฟังเราก็ไหลเป็นอารมณนะ์เราก็สังเกตได้ว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเราบ้างแล้วนะมันจะมีการสังเกตได้กลับมา สังเกตนะเป็นเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นได้เนีจากการที่เรารู้สังเกตบ่อยๆนี่ละมันมันก็เลยไม่ไม่ไหลก็ไม่แนลมต่างๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือรู้กายรู้ใจที่เขาเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโดยวิธีการที่เรามาฝึกจิตสตินี่เขาเรียกว่าทําให้อาจัยไม่หลงไม่หลงออกไปไกลนะ มันก็กลายเป็นสติที่ว่ามันคุ้มครองกายและใจของเราไม่ให้ไม่ให้ออกนอกรูก้นักท า, ทางที่ว่าเราอาจจะไปทำผิดในทางกายและทางใจโดยพลังใจนีเราสังเกตปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นปกติได้นะมันก็ไม่ได้ไหลไปอย่างสมัยก่อนอันนี้จึงว่าเนี่ยเป็นหนทางที่แท้จริงว่าความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองนะนะแต่ถ้าเราไปฝึกในการที่เราเราไปทำให้จิตมันนิ่งมีความสงบ นะมันก็เป็นหนทางที่ให้เราติดอนะติดในอะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่อาจที่สังเกตความที่เราติดนั้นได้มันก็กลายเป็นความยึดความยึดความติดในความสงบในความพอใจในความสุขในทางใจที่เกิดการปฏิบัติธรรมขึ้นมามันก็กลายเป็นเราไปหลงยึดติดในสภาวะใดสภาวะหนึ่งอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหลงติดเรารู้ไหมว่าเราหลงติดถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหลงนะมันก็เสียเวลาที่เราจะปฏิบัติที่ว่า ออไปบัลลังก์มันต้องมีความสงบมีความสุขมีความาเป็นจิตเป็นหนึ่งอยู่เรื่อยๆทํานองนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราจะเสียเวลาไปเพราะว่าเราจะต้องมุ่งในตรงนั้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็มันก็ไม่สงบมันก็ไม่เราก็ไปจัดการให้มันสงบอีกแล้วมันก็จะกลายเสียเวลาไปแทนที่เราจะกลับมารู้ความจริงว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรนะเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้หลอกเขาก็แสดงความจริงให้เราเห็นแล้วในแต่ละขณะแต่ละขณะ แม้แต่เราเจริสติเราก็เห็นความจริงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาความสงบแต่เรากลับมาลู่ความจริงเท่านั้นเองว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาก็เป็นไปเช่นนั้นเช่นนั้นนะเราไม่ได้ไปติดในสภาวะใดสภาวะหนึ่งว่าตรงนี้มันจะต้องมีความสงบตรงนี้เปิบัติแล้วต้องมีความสุขต้องมีความตัวเบาต้องมีความสบายกายสบายใจนะต้องดีถาวรมันก็กลายเป็นความที่เราไปยึดติดอีกครั้งหนึ่งแล้วในการที่ว่าเราจะต้องทําให้เขาเป็นตามเราต้องการ หือมันก็เป็นกินเลสอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตันหานะแต่ถ้าเราจริติจริงๆมันคือการยอมรับนะยอมรับที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเรายอมรับได้ไหมเพราะนั่นคือความจริงของกายและใจที่เขา อ, อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้อยู่ที่เรายอมรับไหมนะถ้าเราไม่ยอมรับ <c oughs> เราก็จะเกิดความทุกข์เอง แต่ถ้าเรายอมรับเราก็คื อ, เ, อเราก็มองความจริงไปเช่นนั้ น, นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เท่านั้นเองนะอันนี้มันมันนอกจากว่าเป็นสติแรับก็คือเกิดเป็นปัญญาด้วยที่กลับมาเห็นความจริงในตรงนี้ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะเขาก็มีความไม่เที่ยงมีความทุกข์ที่ทนอยู่ใ네นภาวะเดิมว่าเดิมไม่ได้นั่นแหละเป็นเป็นของแท้เป็นของจริงนะแลเราก็เพียงแต่เราเข้าไปยอมรับเขาเท่านั้นเองนะใจเราก็จะไม่ทุกข์ นะเพราะนั้นนะ้ำบางทีก็เลยกล่าวว่าสตินี่แหละก็คื อ, อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายนะท่านก็เปรียบเสมือนว่ารอยเท้ารอยเท้าของสัตว์บกนัมดก็รวมลงไปในรอยเท้าช้างในฉันใดนะธรรมทั้งหมดก็รวมลงไปในสติได้ฉันนั้นเพราะว่าเมื่อมีสติแล้วมันก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นสภาวธรรมทั้งหลายได้ด้วย เราเห็นสภาวะนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาอย่างไรนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถสังเกตได้โดยตัวเราเองแล้วจากการที่เราสังเกต <c oughs> สิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะสังเกตว่าความยึดติดเราก็น้อยลงนะมันก็ความทุกข์มันก็น้อยลงไปด้วยนะมันจึงเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงมันก็ค่อยๆเบาลงไปในตัวโดยที่เร า, าไม่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่จากการที่เร า, าสังเกตไปต่างๆนี่แหละ <c oughs> เขาก็จะเบาลง นี้จริงว่าอการแบบทำจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีก็จริงนะแต่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นแหละมันตรงกตจริตเราไหมนะถ้ามันไม่ตรงเราก็อาจจะเสียเวลาในการที่จะไปติดในสภาวัรน์สถาวะใดหนึ่งเช่นอาจจะต้องเห็นนิมิตบางอย่าง <c oughs> ถ้าไม่เห็นนิมิตก็คือไม่ก้าวหน้าเป็นต้นนะหรือว่าต้องไปตรงนี้ตรงนี้อ ต, ต้องจิตเป็นแบบนี้ต้องได้ชานอย่างนั้นอย่างนี้ นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของว่าสมัยพุทธกาลเขาก็ทํากันมาแล้วแต่ว่าพระเจ้าก็เรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญในตรงนั้นแต่กลับมาให้ความสําคัญในการที่ว่าเรากลับมารู้กา้รู้ใจในปริบันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่านะซึ่งเราก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองนะถ้าเราไปติดในชาตก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของว่าภพภูมิที่เราจะต้องมีรูปภูมินะติดในรูปรชาติมันก็ไปภพภูมิที่เป็นอรูปอรูปภพ นะมันก็มีภพภูมิที่เขาลองรับอยู่ในแต่ละสภาวะธรรมแต่ถ้าเราไม่ติดในสภาวะธรรมใดๆนะมันก็ไม่มีภพภูมิที่จะไปลองรับในแต่ละสภาวะธรรมนั้นนะก็คือมันก็ไม่ต้องไปอเวียนว่ายตายเกิดใหม่นะมันเกิดเป็นการสิ้นสุดทุกอย่างแท้จริงเพราะว่าจริงเรามันไม่ได้ตั้งอยู่ในสภาวะธรรมใดๆนะเป็นสภาวะที่แห่งการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันก็เป็นการคลายออกอาจากจากทุกๆสภาวะธรรมอยู่แล้ว เมื่อมันคลายออกมันจึงไม่มีภพภูมิที่จะไปรองรับแต่เมื่อเราไปติดในสภาวธรรมใดนั่นแหละคืออุปทานนะอุปทานเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดภพภบพบก็เป็นเหตุให้เกิดชาติช า, ามรณะตามมาเนา ะ, ะแล้วก็หลวงพ่อกำเเขียนท่านก็เคยพูดท่านก็เคยเทศว้บอกว่าเหมือนกับมีมนายพานคนหนึ่งก็ไปไปล่าสัตว์นะก็ไปเจอเสือเจอเสือ เป็นลูกเสือนะก็เลยเอากลับมาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เลี้ยงมันตอนหลังมันก็โตขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ต้องสร้างโครงนายพันธก็ต้องสร้างโครงขึ้นมาตอนแรกก็สร้างโครงเป็นเหล็กขึ้นมาห้าซี่ก็ขังเสือก็ขังไม่อยู่นะตอนหลังก็สร้างขือวมาแปดซี่เพิ่มมาอีกก็ขังไม่อยู่นะก็เพิ่มมาอีกเป็นสิบซี่ก็ขังไม่อยู่นะเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยิบเจ็ดซี่ก็ขังไม่อยู่นะ ก็มาว่าขนาดสองรอยยี่สิบเจ็ดซี่ก็ยังขังไม่อยู่เลยแต่ตอนหลังอ่าในพานก็ฉลาดเอาซี่เดียวมาขังปรากฏว่าขังอยู่นะสองร้ยนะิบเจ็ดก็เป็นวินัยของพระนะสองรยิบเจ็ดก็ยังขังไม่อยู่นะมันก็ยังมีกี่เลยตัณหามากมายนั่นแหละเพราะว่าเสือตัวนี้มันมันมีอยู่หกปากนะหกปากมันจะหากินกนันทั้งวันนะ หกปามันก็คือตาหูจมลิ้นกายใจเนี่ยมันจะไปแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงผดธาตุธรรมลมมามาเป็นเครื่องอสนองกิเลสของมันนะตาก็ต้องเห็นรูปที่อชอบใจหูต้องได้ชอบฟังเสียงที่พอใจอการรับประทานก็ต้องชอบอาหารที่อร่อยนะดมกลิ่นก็ต้องชอบขอ ง, องหอมอกายกระทบต้องชอบที่เย็นเย็นที่นิ่มที่อ่อนนุ่มนะใจก็ต้องการความสุขในทางใจ นี่ก็คือเสือเนี่ยมีหกปากนะหกปากมันมันสองรอย่สิบเมันก็ยังขังไม่อยู่เลยนะมันขังไม่อยู่หรอกแต่ถ้าบอกว่าลูกคงซีเดียวนะขังอยู่ก็คือสตินะเมื่อมีสติมันก็จะขังเสือตัวนี้อยู่นะก็คือสติมันมันจะไวนะมันจะรู้ทันเออขณะนี้เรามีอะไรเกิดขึ้นทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันกระทบรูปรดกลิ่นเสียงผลพัฒนธรรมอรมแล้วเนี่ยมันเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันรู้ทันไหม ถ้ามารู้ทันแล้วเนี่ยมันก็ขังอยู่นะมันก็ไม่ไหลไปตามกิเลสเหล่านั้นหรอกใช่ไหมเพราะนั้นอย่างที่ในปฏิจจสมุปบาท ก, ก็มีหลายหลายหลายหลายข้อนะแต่ก็จะสรุปเรื่องสั้นๆว่า เ, ออเมื่ อ, เ, อเมื่อเรามีอยายตนะคือมีตามันก็ไปกระทบรูปรสกลิ่นเสียงผทัพธรรมลมอยู่ดีก็คือเกิดภัษตาเมื่อเพเกิดภัตตาขึ้นก็มีเวทนาก็คือความพอใจความไม่พอใจ นะเมื่อเกิดเวทนานก็เกิดตัณหาคือความทยันอยากอยากได้อย่างนั้นมากขึ้นอยากจะพบบ่อยๆนะเมื่อเกิดตัณหาก็จะเกิดอุ ป, ท า, อปทานคือความยึดติดจิตมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเราชังนะเมื่อเกิดอุปทานมันก็จะเกิดพบนะเกิดพบก็คือเกิดชาติเกิดชราเกิดมรณะตามมาอันนี้ก็เป็นสภาวะของใจที่มันจะเกิดภพภูมติต่างๆขึ้นมาคราวนี้นะ การที่เรามีอายต น, นะคือตาเนี่ยมันมันหนีไม่ได้นะทุกค น, นมันจะไปทําให้ตาบอดหูหนวกมันทําไม่ได้หรอกแต่มาแม้แต่ใจเนี่ยหูหนวกตาบอดใจก็ยังคิดได้เลยนะคิดเป็นทางอากุศลต่างๆได้เพรา ะ, ะนั้นเราจะไปปิดบังอายต น, นะเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทบผัสสะเกิดขึ้นมันต้องเกิดเวนทานาก็คือความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะรู้ทันไหมนะถ้ารู้ทันตรงนี้ว่าเอาขณะนี้เราเกิดความโกรธแล้วนะเรารู้ทันไหม เก man, mm ิดความรักข <ás monsieur> ึ้นมาเรารู้ทันไหมแค่เรารู้ทันนี่แหละคือสติเพราะสติคือความระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังมีอะไรเกิดขึ้นในในกายในใจเราขณะนี้เรามีความโกรธเราก็ระลึกได้ขณะนี้มีความโกรธเกิดขึ้นเรามีความรักเกิดขึ้นก็รู้ได้ขณะเราก็ระลึกได้ขณะเรามีความรักเกิดขึ้นนี่แหละการระลึกได้คือสติเมื่อเราสามารถระลึกได้ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือสติมาเริ่มคุ้มครองเราแล้วนะคือใหม่ๆเราต้องสร้างให้ตัวนี้ขึ้นมาก่อน ให้เรารู้ทันากายนะเมื่อรู้ทันกายก็จะรู้ทันใจดเูเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเมื่อเร า, าเห็นดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนี่แหละตรงนี้มันก็เมื่อเรามีส ต, ติแล้วนะส ต, ติมันจะคุ้มครองเราให้เรารู้ขึ้นมาเาขณะนี้เราชอบเราเรารักแล้วนะเรากลัวแล้วนะเราชังแล้วนะเราเกลียดแล้ว เราอิจฉาแล้วเราหึงหวงแล้วเราเหงาเราเครีย่ดอันนี้คืออารมณ์ของพอใจหรือไม่พอใจทั้งสิน้นเราก็เริ่มรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยเขาก็จะเบาลงไปเองนะคือตามกําลังของสติแล้วเนี่ยเมื่อรู้ทันโดยใจที่เฉยเฉยโดยเขาไม่ไปยุ่งเกี่ย ว, วเราเป็นผู้ ด, ดูแล้วเขาจะเบาลงไปเองตามธรรมชาติของความเป็นสตินะแต่ถ้าเขาไม่เบาก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเรา เมื่อเขาเบาลงไปแล้วตันหามันก็จะน้อยลงอุปทานมันก็จะน้อยลงนะภพช่ายก็จะน้อยลงไปด้วยนะโดยเพราะคนที่มีกําลังของของปัญญามันจะเข้าไปตัดได้ร้อซนะมันก็มันจะหมดได้นะมันก็เห็นเออความความไม่พอใจความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันแล้วเขาก็ไม่ใช่เรานะไม่เป็นตัวไม่เป็นตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้เกิดเองดับเองนะเข้ามาตามเหตุตามปัจจัย ไม่ให้ตัวไม่ให้ตนนะไม่ถ้ามีปัญญาตรงนี้ปับ๊บมันก็ดับไปเลยนะมันดับมันไม่ต่อเนื่องยาวเหยียดเป็นตันหาอุปทานเนาะนี่มันคือกําลังของสติและปัญญาที่ว่าเราได้ฝึกฝนมาดีแล้วนะมันก็จะเป็นเครื่องรักษาใจของเราไม่ให้ไหลเข้าไปในกิเลสต่างๆได้มันก็คือมันมันไม่หลงทางพูดถึงหลงทางเมื่อวานนี้อาตมาก็เป็หลงทางที่ผู้หลงนะก็คือภาพ พาญาติธรรมไปไปเที่ยวภูหลงนั่นแหละพอขึ้นไปถึงชั้นบนตรงที่เป็นศาลาข้างบนแล้วก็ถามอ็ใครใครเป็นสอสก็เดินตามต่อไปพาไปออกข้างนอกไปเดินเลยไปใครเป็นสวก็รอตรงนี้ปรากฏไม่มีใครอยากเป็นสวก็เลยเดินตามเป็นแถวเลยเดินมันก็ไม่รู้มันไกลขนาดนั้นเพราะว่าแต่มาก็ไม่ได้ไปเดินตั้งนานแล้วไม่รู้มันไกลมากก็พาไปเรืเ่อยเื่อนึกว่าเดี๋ยวคงจะถึงแต่ปรากฏมันไกลมากเลยไปออกกูติบสิบเอด ก็นะนี่หลายๆคนก็เป็นสบนะแล้วก็กลัวจะเดินกลับมาไม่ไหวเพราะมันทางมันลําบากมากก็เลยให้รอบริเวณกุฎส1บนั้นแล้วก็ต่อมาก็ก็เดินหาขึ้นโทรศัพท์ไปเรื่อยเราจะหาจะโทรศัพท์ให้รถสองแทถวขึ้นมารับก็ไม่มีขึ้นแล้วก็ไม่มีขึ้นเลยต้องเดินเดินเดินลงไปบอกเขานะแต่ปราะว่าจําทางเก่าไม่ได้มันเหมือนทางมันตัดใหม่คือแทนที่จะเดินกลับไปทางปกติก็จําจไม่ได้ก็เลยเลย เ, เดินกุฎส1บไปก็ขเข้าป่าไปเลยกันเนี่ย มันรู้สึกว่นถนนมันก็ดีนะมันก็คลายสมัยก่อนหรือเปล่าก็เลยเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นทางลงเขาไปเรื่อยๆเลยเดินลงไปถึงข้างล่างนะปรากฏว่าเออมันมันกลายเป็นถนนมันทำไมมันหายไปเป็นทำไมเขาไปในป่านะก็รู้ว่าลงทางแล้วนะแต่ย้อนกลับครก็ไม่ไหวแล้วมันต้องเดินขึ้นเขาอีกแต่ก็เดินหาขึ้นไปเรื่อยๆจนบางบางทีก็มีขึ้นก็โทรแล้วสับติดต่อกันได้เหมือนกันนะในตัวเขาก็ส่งรถไปรับ แ ต, แต่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอธรรมานะเพราะาตอนนี้มันหลงทางแล้วมัรู้จะกลับได้มาไหลเน่ยให้กลับกับไปให้หมดเลยนะแต่ตอนหลงทางมันก็มันมีส่วนดีว่าคือเราหลงทางเราก็รู้เราหลงหลงทางนะแล้วก็พยายามจับจุดแล้วมันวัดอยู่ในแนวไหนก็พยายามเดินกลับมานในส่วนว่าก็เดินกลับมาที่วัดได้ก็ใช้เวลาเป็นไม่ต่ำกว่า2อชั่วโมง นะแต่ว่ามันมันดีที่ว่ารู้ว่าเราหลงทางถ้าเราไม่รู้ว่าเราหลงทางก็ยังเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็ยิ่งหลงเข้าในป่าลึกไปเรื่อยๆเพราะมันบริเวณนั้นมันเป็นอีกด้านหนึ่งของภูหลงมันจะเป็นเป็นเข้าไปในป่านะก็ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเราสำคัญนะเราคนเราเนี่สำคัญว่าเรารู้ว่าเราหลงทางไหมนะนะหลงทางแม้แต่ในในเรื่องของชีวิตประจาวันหรือเรื่องทางโลกต่างๆ หรือแม้แต่เรื่องทางทำนะเราก็ดูว่าเราหลงทางไหมนะถ้าเราหลงทางแล้วก็กลับมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเดินต่อไปนะอย่างที่บางทีครูบาอาจารยนะ์เขาบอกว่าเราเราอยากจะไปเชียงใหม่นะเราเมื่อเราตั้งเข็มทิศ ต, ตรงแล้วมีเข็มทิศตรงไปแล้วเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงเชียงใหม่สักวันหนึ่งนะแต่ถ้าเราตั้งเข็มทิศผิดนี่มันมันไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่มันอาจจะไปที่อื่นที่ไกลกว่าเก่าอีกเนาะ เนี่ยมันต้องดูว่าเราหลงทางไหมแล้วก็คือเราสามารถกลับมารู้กายรู้ใจไหมใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเรารู้กายรู้ใจแล้วมันก็ไม่หลงไม่หลงทางนะเพราะการที่เราสามารถสังเกตกายและสังเกตใจได้แนละ้วมันเป็นหนทางอแห่งความพ้นทุกข์อย่างเมื่อไม่นานนี้ก็ก็ไปอบรมการปฏิบัติธรรมที่ปาจิบุลีก็มีคนหนึ่งเข ก, ก็ส่งจดหมายมาถามว่าเขาก็จเจริญสติมาแล้วนะแล้วก็แต่รู้สึกว่า เขาไม่แน่ใจวาเขามีสติหรือเปล่าก็คือทะเลาะ ก, กับเพื่อนบางทีก็พูดเสียงดัง เ, เรียกว่าทะเลาะ ก, กับเสียงดังแต่หลังนั้นสักพักใหญ่ๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะไม่มีสติแล้วนะเพราะว่าเสียงดังสแสดงว่าเขาโกรธไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยถานมันก็เลยตอบเข้าไปว่าอันนี้ตรงนี้สแสดงว่าตอนที่ขณะที่เราเสียงดังนั่นแหละเราไม่รู้ตัวอันนั้นเป็นความโกรธนั้นอันมันไม่มีสติแล้ว แต่ผลลังธ์จากนั้นเราก็เริ่มรู้ว่าเออเมื่อกี้เราเสียงดังไปแล้วเราก็มีความโกรธอันนี้ถือเป็นสติแล้วนะก็คือมันระลึกได้นะว่าเมื่อกี้มันโกรธไปแล้วนะมันก็เป็นสติแล้วถึงแม้มันจะชาไปหน่อยนะถึงแม้มันจะผ่านความโกรธมาแต่ก็เราก็ยังนึกได้อยู่ว่าเมื่อกี้มันมันโกรธไปแล้วนะมันก็ยังใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้แหละคือประสบการณ์ของเขาแล้วว่าเขาเจริญสติมาก่อนนะเขาก็จะรู้ว่าเออตรงนี้มันมันถูกหรือมันผิดทั้งทั้งนี้มันหลงทางไปแล้วก็คือโกรธไปแล้วแต่เขาก็กลับมมาาารู้้ให่่วเเเอออตนนีย เขาน่าจะผิดไปแล้วนะเขาน่าจะขาดสติไปแล้วนะอันนี้คือประสบการณ์นะประสบการณ์ว่าเนี่ยมันหลงไปอย่างไรนะ ม, นมันขาดสติไปอย่างไรเขาหลงไปอย่างไรไม่จะรู้ช้าแต่เขาก็รู้ว่ามันหลงหลงไปนะเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปเมื่อเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่หลงนะจะไม่หลงเข้าไปในความโกรธยาวนานยาวขึ้นมาอีกอย่างที่เขาเคยประสบมาอันนี้คือประสบการณ์ของผู้ที่มีสติแต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยจเจริญสติมาก่อนก็คือ ขวดไปแล้วเขาก็ไม่รู้เขาโกรธหรอกนะเขาก็แม้แต่ที่ผ่านไปเขาก็ไม่รู้เขาโกรธแล้วเขาก็จะหลงเช่นั้นก็จะทำเช่นนั้นไปเรื่อยๆหลายๆครั้งนะเหมือนกับพวกแม่ค้านี่แหละแม่ค้านี่เขาเป็นคนปากไวนะบางทีเราไปซื้อของก็เนี่ยแหละบางทีต่อเขาเยอะไปเขาก็จึงด่าเราเลยนะเดี๋ยวบางทีเขาก็ดา่ากันเองนะเขาก็ด่ากันรุนแรงนะเอาเรื่องต่างๆมาด่ากัน คือเขาเป็นความเคยชินที่เขาโกรธแล้วเขาด่าอยู่เป็นประจำแล้วพวกนี้เขาจะแก้ไขตัวเขาเองไม่ได้นะเขาจะไม่กลับมารู้ว่าขณะนี้เขาโกรธไปแล้วนะตรงนี้เป็นสิ่งไม่ดีเขาไม่รู้หรอกนะค น, คน ท, ทั่วไปก็คล้ายๆแบบนี้นะเพราะนั่นนี้ก็คือหลงไปหลงว่าเออเราเราเร า, เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันถูกมันผิดนะเมื่อทําผิดไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันผิดมันก็เลยกลายเป็นความหลงตลอดชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่หลงไปไม่เป็นไรสําคัญว่าเรารู้ว่าเราหลงไหม เนี่ยตรงนี้มันเป็นประโยชน์กว่าเนาะเพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีไม่ใช่าไม่มีใครทําความทําผิดหรอกทุกคนก็ทําผิดได้ทั้งนั้นนะแต่ทําผิดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ไหมว่าเราทําผิดนะตรงนี้สําคัญนะหรือเราคิดไปเรารู้ไหมว่าเราคิดเราก o i ไปเรารู้ไหมว่าเราก o i นี่แหละคือสําคัญอ่าเป็นหลักของสติเลยนะตรงนี้ตรงนี้แค่เรารู้ว่าเราเราทำผิดไปแล้วหรือเราก o i ไปแล้วนี่ก็คือสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะ หลังจากที่เราลึกระลึกได้แล้วเขาก็จะกลับมาเป็นปกติเป็นปัจจุบันในครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็คอยเฝ้าสังเกตว่าจริงๆแล้วในเขาเกิดขึ้นมาเราอยากให้เขาเกิดไหมเช่นความโกรดนี่แหละไม่มีใครอยากให้ให้เกิดหรอกเพราะเราเป็นนักปฏจจุบันเราก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเขาเกิดเนี่ยมันไปไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเราก็เข้าใจไปเช่นนี้เขาก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะโดยความเข้าใจเช่นนี้หน่ออารมณ์ต่างๆเราก็จะเห็นว่าเข้ามาแล้วก็ไป ไม่ตัวเม่ตนของเราเขาก็จะผ่านผ่านผ่า น, า น, านเพราะเราไม่ยึดติดแล้วว่าเป็นเราโกรธเรารักเราชังแต่ว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเช่นนั้นเองตามใดที่เรายังมีอายนตนนะมันก็ต้องกระทบรูปเมื่อกระทบรูปก็ต้องเกิดเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาของปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อเราเห็นความโกรธขึ้นมาแล้วเราก็สรุปไปว่าเป็นของเขาเองไม่ตัวเ ม, ม่ตนของเราเขาก็จบแค่นั้นมันก็จบกันไปนเลยก็ปิดปิดกบลบหนี้ไปนะแต่ถ้ามีตัวตนอยู่มันก็คือการตามทวงนี้ว่า เป็นเรานะมันก็ตามทวงนี้เราอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเรารักเราชังเราโกรธนี่มันก็ไม่จบอำไมก็ไม่ปิดบัญชีเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญสติก็จะมีปัญญาตามมาด้วยว่านั่นแหละมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ตัวไม่ตนบังคับเป็นชายไม่ได้มันก็จะตัดอย่างรวดเร็วนะเพราะจริงๆนั่นก็คือความจริงว่าเจ้าก็ได้ตัดไว้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็คือกายและใจนี่แหละ มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนนะที่เราส่วนมนต์ไปเมื่อสักครู่นีนะ้ถ้าเราตรงนี้มาคิดไข้ควนแล้วนี่แหละมันจะเกิดปัญญาตามมานนะั้ในการที่เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปัญญานี่แหละก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานอันในการที่ว่าเขาจะสามารถที่จะนํามาใช้ได้ในขณะที่มีสติเกิดขึ้นเนะช่นมีความโกรธก็จะรู้ว่าเออเมื่อเราเระลึกไดว้ว่าเราโกรธเราก็จะรู้ว่านั่นแหละ เขาเป็นไปนตามเหตุตามบัตรใจไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้จิตก็เลยปล่อยเลยวางได้เร็วขึ้นเนาะนี่เระก็คือเราเมื่อเร า, เามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะมันเป็นคนทางให้ความดับทุกข์ที่ได้จริงแล้วก็จะสังเกตว่าภพชาติมันจะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดติดนะเป็นสภาวธรรมมากมายแบบสมัยก่อนแต่มันเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มคลายออกการที่เริ่มใจเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มคลายนะออกนั่นแหละ อาบชาตล้วก็จะค่อยๆสั้นลงในใจเราและพาบชาติจริงๆที่จะไปเวียนว่ายแต่เกิดก็พลอยน้อยพลอยสั้นและอาจจะบดไปในชาตินี้ได้เนาะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระ ต, ตรัยมน้อมนำให้ทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธคุได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด